มีคนมาวัดบ่อยๆตายไปคนคุณบรรณสิทธิ์หัวใจวายสายมีคุณอัญชันไม่ต้องทำหน้าตกใจเมียเขายังไม่ตกใจเลยนักภาวนาเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาที่สำคัญไม่ใช่ตายแล้วไปไหนอะไร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 เจ้าก็ตายกันมาเรื่อยๆทุกยุกทุกสมัยพวกเราไม่ได้มีชีวิตแบบไร้สาระคนในโลกส่วนมากมีชีวิตแบบไร้สาระไม่ได้พัฒนาคุณ ง, งามความดีในจิตใจเลยพวกนี้สมควรกลัวตายให้มากเพราะอนาคตเนี่ยมืดมนพวกเรามีสตินะ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 กระดูมันเริ่มขาวขงั้นเรามีสตินะจิตใจมันสว่างพอเรามีสติเรื่อยๆนะจิตใจมันสว่างสวัยขึ้นมารัศมีของจิตเนี่ยมันมันซักฟอกร่างกายไปด้วยเหนะมือนฉายรังสีไปเรื่อยๆถ้วจิตใจเราสว่างสวัยอนาคตไม่มีอะไรน่ากลัวปัจจุบันก็มีความสุขอนาคตมันก็มีความสุข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 มีคุณค่ามากกว่าแน่ๆเลยเพราะว่าปัจจุบันมันดีอนาคตมันก็ดีถ้าขาดสติตลอดอนาคตมันก็ไม่ดีปัจจุบันมันไม่ดีงั้นเราจะไม่กลัวหรอถึงคลาวจริงๆขึ้นมานั้นจะไม่กลัวสังเกตไหมเวลาที่มีคนมาเล่านี่มาอีกลายละอุบิเหตุรถหมุนรถพลิกอะไรเงี้ย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 ค่อยฝึกของเราไปเรื่อยๆอย่างหัดใหม่ๆนานๆสติเกิดทีหนึ่งกิเลสความหลงเรื่องเกิดตลอดเวลาคลับงาจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเคยหลงพอเรามาฟังทำนะั้นจิตเราตื่นขึ้นมาแรกๆก็นานๆตื่นทีหนึ่งพอจิตมันเคยตื่นแล้วเราก็ค่อยฝึกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยอย่าลืมตัวเองค่อยรู้สึกบ่อยๆ จิตมันจะยิ่งตื่นมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งอ้อนวอนให้มันหลงมันยังไม่หลงเลยหลวพ่อเคยเป็นนะเมื่อสักรวมยี่สิบปีไปแล้วภาวนาสติมันเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยนิ้มไปเห็นสภาวะที่มันไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในพวกเราจำนวนมากเริ่มเห็นนะสภาวะนี้ไหวยิบยัยิบยั บ, ยบคือมันเป็นความปรุงแต่งของจิตภายใน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 ไปจ่ออยู่ด้วยกันตลอดเลยเนี่ยจิตก็ให้ไหวๆนะ้นไปจอ่จอเจ้าอยู่เจ้าจิตมันส่งออกจิตมันส่งออกหิมไม่ตั้งมัน่นจิตส่งออกไปจับอารมณ์อยูนะ่ถึงจะเจริญกรรมฐานอยู่นะความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วนะจิตมันมีความอยากแทรกอยู่อยากรู้ให้ชัดจิตถลําลงไปจ้องไหวๆทั้งวันทั้งคืนเลยเต็ไมไปด้วยความทุกข์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 ไม่หมดความปรุงแต่งไม่หมดอวิชชา ย, ย, ยังไหวอยู่วัตถสุขสารนะี่หมุนอยู่ข้างในหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนจีจีจีขึ้นมานะพอไรเห็นแล้วก็มีแต่ทุก็ดูไงก็ไม่ขาดไม่เหมือนกิเลสตัวอื่นเลยตัวอื่นดูแล้วก็ขาดดูแล้วก็ขาดทําไมมันไม่ขาดจริงๆมันไม่ใช่กิเลส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 หนึ่งสามธันวาที่วัดป่าสารวันีจยจัดงานคล้ายๆงานไหว้ครูตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่ น, นเนี่ยหลวงพระพุทธเนี่ยท่านลูกศิษย์หลวงปู่เสาคนก็มาเต็มวัดน้พระก็เต็มวัดเลยนั่งอยู่บนนี่ศาลาไม้นะ้ท่านอยู่ที่กุฏิเราไปถามกรรมฐ า, านท่านตัวเนี้ว่าผมจะแก้ไงดีจะแย่แล้ว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 แต่กลับมาดูอยู่ที่บ้านนะธรรมดาธรรมดาเมื่อไรมันจะหมดธรรมดานี้สักทีทั้งวันทั้งคืนเลยนะทั้งหลับทั้งตื่นเลยมันทํางานอยู่อย่างนั้นเี<ม>ย่ยิบยับยบยับยิบยับยบนไม่ไหวนะเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบัวแต่เดิมมีปัญหาติดขัดเขียนจดหมายไปท่านนนั้ก็ตอบไม่เก็บไว้นะเราย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาจดหมายท่านหายไปหมด คราวนี้ถามท่านไปท่านก็ตอบมาแต่คราวนี้สั้นจุดจู๋เลยเราเพิ่งไปทําตาใหม่ <c oughs> เขียนหนังสือไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองนั่นให้ทําเตรียมพร้อมหนังสือทําเตรียมพร้อมมาเล่มเบเลอ เ, เลยเปิดปุ๊บหน้าที่เปิดขึ้นมาเลยตอบเรื่องนี้โดยตรงเลยสิ่งที่ท่านตอบนะั้เหมือนที่หลวงพ่อพุดตอบเปียกเลยพอเราอ่านแล้วเฮ้ยไม่สําเร็จอีกไม่สําเร็จ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 หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสอง้ mm hmm. วเราลูกสิษย์ท่านพ่อหลีท่านสอนไว้อย่างนี้ mm hmm. หายใจไปแต่ท่านนับถึงสิบนะหลวงพ่อนับไปถึงร้อย <c oughs> แตคราวนี้นับไปยี่สิบปดครั้งไม่ได้ให้หวยนะหลวงพ่อไม่ต้องการให้รู้สิษย์นิสัยเสียเหมือนโลภมากไม่ทํามาหากินอะไรย่างนั้นไม่ดีต้องช่วยตัวเองชาวพุทธ น้ำไปยี่สบแปดครั้งแนละ้วจิตสงบลงไปมันรวมเลยนะโรคหายไปหมดเลยเหลือใจอันเดียวยืนอยู่นนะไม่ยักลมนะก็ยังยืนอยู่นั่นแหละพอมันถอนขึ้นมาปุ๊บนะสติมันระลึกลงไปที่ไหวๆนะมันวางมันดีดตัวออกเลยนะโถเอ้ยง่ายนิดเดียวเซอร์อยู่ตั้งนานที่แท้จิตลงไปคลุกอยู่จิตลงไปคลุกอยู่กับไหวๆไปคลุกอยู่กับหมุน อาจิตมีกําลังพอในะจิตตั้งมั่นกอดีดตัวออกเลยนะตัวนั้นกระเด็นออกไปเหมือนลองวิกเอนเลยมีความรู้สึกเหมือนลองวิกเอนมีความสุขจางโถเซอร์อยู่ตั้งนานง่ายนิดเดียวอย่างที่แท้คือจิตโศกไปอยู่ที่ไหวๆนะในเวลาที่เราภาวนาเนี่ยไม่ว่าชั้นไหนนะเว้นแต่พระอรหันต์อยางจะเดินอรหัตตมรรคหรือเดินโสดาปฏิมรรคขั้นต้นเนี่ย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 คือไม่ตั้งมั่นนใจถลำไปเกาะสภาวะธรรมอันใดหนึ่งอันนั้นทําไมรู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนสติมันมากไปสติมันล้าหน้าไปสติกล้าแข็งเกินไปเป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งนะหรือบางคนภาวนาพวกเราตอนนี้ก็เริ่มเป็นเยอะแล้วภาวนาแล้วใจโล่งว่างขึ้นมาสว่างสบายโลง่ลงๆว่างๆนะ แล้วจิตมันเคลื่อนไปจับอยู่ในความว่างนี่มีปั ส, สนูชื่อว่าโอภาษะเป็นะ ม, มิปั ส, สโนูบางคนนะั้นพอพิจารณาธรรมะนะั้นใจจะกระโดดเข้าไปในธรรมะเลยไปฟุ้งซ่านสุดขีดในธรรมะอาการคล้ายๆคนบ้าเวลาพูดธรรมะจะพลุงพล้งพลๆ้ ง, ล, ง, ล, งล้งเลยเหมือนคนบ้าเพี๊ยบเลยแต่ไม่ได้บ้าหรอกพอไม่คิดถึงธรรมะนะพอไปคิดถึงอรธรรมก็หายเลยนะ พอไปคิดถึงธรรมะก็เหมือนคนบ้าพวกนี้ฟุ้งซ่านด้วยปัญญามากไปมีปัสจูนมีสิบอย่างนะคนมีปิติมีปิติวัดนี่ไม่ค่อยมีอะสำนักครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาสูงสูงนะคนชอบไปมีปิติไปหัดภาวนาสักพักหนึ่งก็จะมาอยู่ใกล้เราโดนรถทุบเอาไม่กล้าเห็นแล้วรำคาญลูกตา มันจะปลื้มอะไรขนาดนั้นทาไมมีโง่ขนาดนั้นงั้นปลื้มมากเลยนะปิติมากโอ้ยปลืม้มปลืม้มเจอหลวงพ่อแล้วปลืม้มปลืม้มไม่เคยรอดหรอกเดี๋ยวก็โดนทุบแล้วทำไมไม่มีสติปล่อยให้ความปรับปลื้มครอบงำจิตใช้ไม่ได้งั้นเราฝึกนะฝึกสติของเราไปได้อย่างคนไปหลงในโอภาษในความสว่างในความว่างนะ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 สอนได้ไม่หมดนะเพราะหลวงพ่อมีไม่ครบได้มาไม่ครบแล้ทำไม่ครบสิบอย่างถ้าเมื่อไรใจรู้ทันนะว่าจิตมันเคลื่อนไปเกาะสิ่งเหล่านั้นนะจะหายทันทีเลยเมื่อนานานักหนามาแล้วยี่สิบกว่าปีก่อนเคยได้ยินหลวงปู่เทศสอนหลวงปู่เทศท่านสอนบอกวิปัสสนูเนี่ยเกิดเพราะว่าสมาธิไม่พอท่านสอนอย่างนี้นะบอกกำลังเดินปัญญาอยู่ทา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 เช่นมันคิดถึงปัญญาหรือมันเกิดกระโจนใส่ปัญญาไปเลยฟุ้งซ่านในปัญญาไปหรือมีปิตินะไปนั่งสมมติไปนั่งเห็นครูบาจารย์แล้วก็ปลื้มไปจิตไปอยู่ที่ครูบาอจารย์จิตไปออกนอกพอรู้ทันนั่นเองจะตั้งมันขึ้นมานี่เราเห็นด้วยการปฏิบัติามาอ่านพระสูตรทีหลังเนี่ยถึงเจอพระนลท่านสอนไวนะ้ในยุคครรนัตสูตร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 บอกโอ้เราอ่านพระไตรปิฎกมาตั้งหลายรอบนะเวลาอ่านมันผ่านๆเนนะี่ยพเราไม่ได้ภาวนานะอ่านแล้วมันไม่เก็ตพอเราภาวนาเราผ่านตรงนี้เราเคยเห็นตรงนี้แล้วอะไรเนี่ยพอไปอ่านเข้านะโอ้มันถึงอกถึงใจวนะ่าจริงๆท่านสอนมาแล้วทั้งนั้นเลยมันไปตรงกับที่หลวงปู่เทศบอกนั่นแหละคือถ้ามีสมาธิขึ้นมันก็หายนะอุทักษกรมตรงข้ามกับสมาธิ พระนอนบอกว่าถ้ารู้ทานอุทัจจะก็หายรู้ทานอุทัตจจะอุทัจจะจะดับทันทีเพราะสติะระลึกรู้อกุศลอกุศลดับทันทีอุทัจจะดับทันทีจิตเขตั้งมั่นทันทีนั่นแหละนะเกิดสมาธิขึ้นมาจิตจะหลุดถอดถอนตัวเองออกมาจากทำสิบประการนะมีโอภาษณ์เป็นต้นที่จิตเข้าไปติดอยู่แล้วก็เดินปัญญาต่อไปได้เกิดมากเกิดผลได้ ทุกวันนี้ต้องเริ่มพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นเพวกเราพอนาดีขึ้นแล้วถึงขั้นที่จะได้ลิมรสชาติของวิปัสสนูนแล้วก่อนหน้านี้ไม่จําเป็นหรอกตอนสอนใหม่ๆเป็นเรื่องนิมิตนึกออกไหมถ้าไปฟังตอน ส, สมัยอยู่สวนโพนี่สอนเรื่องเ hey, ออย่างนี้นิมิตอย่างนี้เพ่งไว้แก้อย่างนี้นติดสมถะอยู่พอมาถึงวันนี้พวกเราพัฒนาขึ้นแล้วเรามาทําวิปัสสนาแล้วเริ่มเจอวิปัสสนูแล้ว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 ตรงนี้เป็นผลออกตรงนี้ไม่ใช่เห็นไม่ใช่มักตัวมักท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักท่านไม่ได้บอกจิตเห็นความว่างเป็นมักงั้นพอน้อมไปให้ว่างนะไปจับอยู่ในความว่างเป็นภพที่ละเอียดเป็นอรูปภพตายไปแล้วเป็นอรูปประผลพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาตรัสรู้นะพวกนี้ยังไม่รับรู้เลยพวกนี้ไม่รับรู้ก็จะไปเพลินว่างมีความสุขอยู่แค่นั้นแหะน่าสงสาร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 บอกอย่างไงก็ไม่ฟังนะแต่อยู่ไปนานๆเ น, น, นี่ยสติแตกขึ้นมาสติแตกเลยนะแบบกรรมฐ า, านแตกที่เขาเรียกกรรมฐ า, านแตกเจ้าตัวเขาเรียกว่าธาตุไฟแตกเหมือนธาตุไฟแตกจริงเหมือนเดินกําลังภายในผิดนะลมปรานแตกธาตุไฟแตกมันร้อนไปหมดเลยนะร้อนเหป็นฟืนเป็นไฟแผดเผาตลอดเลยนี่พอธาตุไฟแตก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 จิตท่านพลากออกจากขันไปแล้วจิตแยกออกจากขันส่วนพวกเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อให้จิตมีปัญญาเพื่อวันหนึ่งมีปัญญา <c oughs> เห็นความจริงว่าขันเป็นทุกขนะ์แล้วกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์จิตมันจะพลากออกจากขันแยกออกจากขันงั้นเวลาภาวนาถึงขีดสุดนะจิตจะพลากออกจากขันนี่ไปเจอในพระไตรปิฎกเหมือนกันมีเรื่องจิตพลากออกจากขันพลาดละขันเนี่ยจเจริญสติปัฏฐานแล้วจิตพลากจากขัน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 วันหนึ่งปัญญาก็แจ้งขึ้นมาว่าเขาไม่ใช่เราหรอกเขาทางานของเขาเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาทางานได้เองหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในสภาวะันใดหนึ่งไม่คงที่เฝ้าดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะพวกเราทุกคนดูกายดูใจเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกไปไปทานข้าวตอนทานข้าวก็ดูไปเรื่อยนะ